กรูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าภาวนามานานแล้วท่านก็เลยบอกให้มาบวชนะตานภาวนาทีแรกๆหัดทีแรกก็อยากบวชนะแต่ว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งเราก็พบความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่าคารว์ก็ทำได้นะธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของพระล้วนๆนะธรรมะเป็นของกลางนะพระทาได้คารวะก็ทำได้เหมือนกัน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 เป็นคารวาก็มีหน้าที่ของคาวาดเป็นพระก็มีหน้าที่ของพระถ้าเป็นคาวาดแล้วทิ้งหน้าที่นะเป็นพระก็ทิ้งหน้าที่อีกแหลนะนี่ต่อมาพออยู่มาหลายๆายปีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้มาบวชทัทีเลยบอกท่านบอกว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะมาบวชนะไม่มีไก่เลี้ยงกว่าจะบวชได้หลวงพ่ออายุเยอะนะสีนะ่สิแปดเนี่ยถึงจะได้บวช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 เราทำตัวเป็นนักอ่านหมายถึงว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละถ้าไม่ได้บอกให้เราเป็นนักประพันธ์นะให้ไปแต่ง เ, อ, <ม>เอาเองใหแงง้แต่งจิตอย่างง้นติดแต่งจิตอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เป็นนักวิจารณ์ด้วยจิตเป็นยังไงก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์มันท่านบอกให้เป็นนักอ่านหมายถึงว่าธรมารมะอะไรปรากฏขึ้นในจิตให้รู้ให้ดูไปหัดรู้หัดดูไปตามที่เขาเป็นนี้าฝึกอยู่อย่างเนี้ไม่นานดอกนะเราจะเข้าใจธรมรมะด้วยตัวของเราเองรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากอะไร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 ถ้าปฏิบัติผิดจะมีความทุกข์เยอะเลยหลายคนปฏิบัติจนเพี้ยนหรือปฏิบัติจนเดี้ยงแข้งขาเคล็ดคอเคล็ดหลังเคล็ดนะหัวแข็งทื่อๆอะไรนี้ยอันนี้ทำผิดหรอกถ้าทำถูกเราจะมีแต่ความสุขกายเบาจิตเบานะมีเกิดความสุขล้วนๆค่อยๆฝึกไปอะใครมีอะไรจะคุยบ้างวันนี้ให้หลวงพ่อพูดอยู่คนเดียว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 ต้องตามดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ห, <า>หัดรู้รสภาวะนะหัดรู้ทุกวันต้องซ้อมเช่นเราหัดพุดโทโธไปหัดหายใจหรือหัดดูท้องพองยุบอะแล้วก็หัดดูสภาวะธรรมเช่นหายใจไปพุโทโธไปดูท้องไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตเข้าไปเพ่งรู้ทันจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้หัดสังเกตอันหนึ่งเวลาที่เราเจริญสติในชีวิตประจำวันมากเกินไปเราทิ้งสมาธิทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบ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 อย่เช่นกิเลสแรงๆไหลออกมาแวบมนรู้เองไม่ต้องเจตนาจะรู้ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ระวังอย่าให้ติดเฉยก็แล้วกันมีความเฉยเกินจริงมานิดหนึ่งแบบนวัตกรรเแคานี้ครับผมแบบนวัตการเจ้าค่ะเรียนถามนะคะว่าเวลาดูจิตดูกายนะคะดูกายบางทีจะรู้สึก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 อย่างเราเห็นว่าตรงนั้นไหวยิบยัยิบๆเนี่ยสังเกตไหมสิ่งนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูอยู่ท่างหากเนะนี่ยต้องมีแยกกายแยก ใ, ใจออกจากกันนะเวลาที่รู้กายเนี่ยต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้กายนะเรียกรูปกับ น, นามมันแยกกันแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายขยับขยื่นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดนะูใจมันจะเบาๆไม่มีน้ําหนักนะถ้าใจมีน้ําหนักขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้รู้ผู้ดูแล้ว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 สอนโยมต้องระมัดระวังนะโยมเจ้าเล่ยเยอะะรพเพราะฉะนั้นอย่างทําไมท่านพระองค์คุลีมานประสิทธิสําเร็จ์ฆ่าคนได้เก้ายเก้าสบเ้ายังที่ทําผิดศีลนั้ได้ฆ่าคนบ้างยังยัง เ, ยงเลยนะยังน้อยกว่าพระองคุลีมานอีกนะทำไมพระองค์คุลีมานเข้าถึงธรรมะได้เพราะขนาจิตที่มีสตินั้นจิตมัมีทั้งศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่ขาดศีลนะการที่เราทํากอกุศลไลว้แล้วแล้วเราคอยคิดเนืองๆเ น, องเนี่ยเป็นกิเลสตัวใหม่ที่ชื่อว่ากุกุจจากุกุจจาเป็นกิเลสที่คอยหลอกหลอนนักปฏิบัตินะกุ ก, กุจจาเนี่ยเป็นความเร่าร้อนใจว่าเราได้ไปทําชั่วมาแล้วกุ ก, กุจจาเป็นความเร่าร้อนใจที่ว่าความดีนั้นเรายัางทําไม่เสร็จนะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เนิ่นช้านะให้คอยรู้ทันไว้ยั้งรู้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะ